ท่านผู้อ่านและ 30 ธันวาคม 2532 เป็นเวลากลางคืนวันนี้รู้สึก วันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2532 ท่านนายห้างนิรัตรหสุระโยทินซึ่งเป็น เรื่องที่เรียก 64 องค์แต่ทว่า 80 องค์ก็ 16 องค์ก็ ดูมาดูไปก็ปรากฏว่าที่ที่โยมมาถวายไว้ 20 ไร่เป็นอันว่าสมเด็จท่านสั่งสร้างทางเดิน 4 เมตรรอบพื้นที่แล้วก็กว้าง 4 เมตรเหมือนกันเป็นทางยาวจึงมาดําเนินคิดว่าสถานที่ ขณะที่สมเด็จพระท่านสั่งสร้างท่านก็ไม่ได้บอกว่ามีความจําเป็นยัง ถือว่าคําพูดของท่านไม่ <c oughs> ข้างล่างก็เป็นถนนคอนกรีต มีจำนวนทั้ง 80 องค์แต่ว่า 64 องค์ก็ต้องสร้างต่อในตอนเช้าหลัง 40 องค์ แต่ทราบว่าถ้ายังไม่พอสถานที่ยังมีสร้างได้อีกประมาณสัก 100 อ่อที่ตรงนั้นแต่ ถ้าว่าบังเอิญๆยังไม่ 3 และ 3 ไร่ตั้งใจไว้ ในเมื่อมีสถานที่พอ 28 องค์ก็สร้าง 28 องค์ก็คิดสร้างก็จะขอเป็นเจ้าภาพเองทั้ง 28 องค์ค่อยๆเอาเงินที่บรรดาญาติโยมและลูกหลานทั้ง ต่อมาก็ไปสร้างที่อาคาร 12 ไร่ที่ศาลา 12 ไร เวลานี้ก็ปรากฏว่ามีเจ้า 80 องค์ก็ต้องไปหาสถานที่ใหม่ แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีเจ้าภาพจริงๆก็คืออาคารสถานที่พระเพราะว่าที่นี่ <c oughs> เหมือนอานิสงส์เหมือนก็สร้างวิหาร <c oughs> ท่านจะมีอานิสงส์ทั้งอาคันด้วยทั้งพุทธรูปด้วยเพราะว่าพุทธรูปต้องอาศัยกับฐานที่ของท่านก็นี่ก็คุยกันไปต่อมา <c oughs> <c oughs> 2532 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพฯกับๆมาถวายไว้เป็น 2 ลูกมี 2 มี 2 ไม่มี ธนาคารกสิกรไทยนั้นมีกระจายใหญ่มีทั้งยานัตมีทั้งอาหารๆอย่างพลไม้เยอะ 30 ธันวาคม 2532 ท่านพลตํารวจสงวนอดีตแพทย์ใหญ่กรุงเทพฯ 5,000 บาทใน แล้วก็มีลูกหลานจังหวัดสุพรรณบุรีนําทองคํามาสร้างพระพระประติกิจพระพุทธเจ้าหนักหลายบาทแล้วก็นําเค้กขนมเค้กมาถวายและนอกจากนั้นก็ยังมีญาติโยมพุทธบริษัท หลังจากที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์จากพระสุทัมมยานเถระ <c oughs> <c oughs> ถวายเงินเดือน 3,000 บาทเนื่องในวันปีใหม่แต่ว่าถวายปัจจัย 12,000 สร้างเสาณวิหาร 5 วัน 6 ธันวาคม หลังที่รับเรื่องสํานักศักแล้วก็มี <c oughs> ขวัญก็คือเยาวลักษณ์อาตมาเองก็เพิ่งรู้จักตอนนี้เหมือนกันก็เรียกเธอขวัญๆตลอดมาเรียก ท่านราชให้ 1 อัน 12,000 บาทแล้วก็สร้างแผ่น 6,000 บาทแล้ว ต่อมาก็มีคณะที่ช่วยกันสร้างพัดพระฐานานุกรม 1,300 บาทแล้ว 1,000 บาทอาจารย์ประเสริฐอาจารย์บุผาชาติพงษ์ประดิษฐ์และครอบครัว 1,000 บาทคุณเยาวลักษณ์วงเล็บขวัญและบาทคุณรัชนีเออ 500 บาท แล้วอีก 500 บาทแล้วก็คุณ 100 บาทก็ตาม 100 บาทแล้วคุณวรภา 200 บาทแล้วอะไรพรปทุม 100 บาทแล้ว 100 บาท คุณอารี 200 บาทเยอะก่อนนะกระดาษของ 100 บาทและคุณ 100 บาทคุณสมพรบุญญเกียรติ 100 บาทคุณลำดวลนิยมทัศน์ 100 บาทแล้ว อะไร 100 บาทแล้วคุณสุนทรปิ่นเสถียรเกศอะไรที่ 9 100 50 บาทเอ่อคุณประจักษ์ 50 บาทเอ่อ 500 บาทเอ่อคุณ 200 บาท 25 นะขอ ที่ 200 บาทสิอ่าแล้วก็ 200 บาทแล้วคุณ 500 บาทคุณงาม 100 บาท ดร. ปริญญาณุตตลัยหัวหน้าคณะจัด 1,400 บาทพันจากาตเอก 50 บาทและคณะธรรมประทีปบาทและคุณ 100 100 บาทรวมได้ 1530 บาทแต่ว่าราคา คือพระวรลักษณ์พระสมุทรพระบดีกาชุดหนึ่งพระครูวรลักษณ์ 700 บาทพระสมุทรสมุๆนี่ราคา 2,000 บาท พัดพระครูสังฆารักษ์ราคา 2,200 750 บาท 750 บาทรวมแล้วทั้งหมดราคาค่าพัด จำนวนเงินเขาได้ครบแต่ชื่อมา และจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหาปรารถนาสิ่งใดก็ได้ เมื่อยังไม่หมดก็มาคุยกันถึงอานิสงส์มันก็มีความลําบากฟังแล้วเม วันนี้ตอนเช้าเธอก็ผ่านคุณป้าน้อยเดิน 20 ไร่แล้วก็วันนี้หลวงปู่ไปดูสถาน รถแท็กซี่สอที่เดโวระตําบลนิโสเดินไปชมบริเวณสถานที่รอบๆ1 เหนื่อยอีกที่กว้างขวางข้างล่าง 4, เหเห 4 เมตรใน ยินเสียงน้องปู่พูดว่าผู้กัดบรรดา อินทรีย์หลวงปู่ผู้กับพวกนั้น 4 ศอกหมด 80 ถ้า 64 องค์ให้ ทำคารรับพระ 6 เอ้ยพระอีก 40 องค์สร้างเผื่อไว้เหลือององ 24 องค์ก็เป็นของ เธอก็หันไปถามคุณป้าน้อยว่าคุณป้าเจ้าคะคุณป้ารู้ เอ่อหลานั้นก็ปรากฏว่ามีคนถามว่าการที่เป็นหนี้สงฆ์ไม่ใช่กล่องกลอนเราจะทํายังไงจึงจะจําละให้ <c oughs> เป็นมาตรฐานโตกว่าได้แต่เล็ก อุบัติมิตรจากองค์สมเด็จพระบาธิบแก้วคือติมิตร <c oughs> เวลานั้นพระท่านก็ไปเยี่ยมท่านก็ ขณะที่ท่านพักอยู่ในห้องเอาสงัดไปที่ห้องเจริญ เวลานั้นเห็นภาพพระพุทธเจ้าหน้าตักประมาณสักก็มีหนังสือ สักครู่หนึ่งท่านก็หายไปไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นพระ ท่านท้าวเวสวัณก็ กำลังใจก็ภูมิมากมีปีติมากผ้าพระก็ แต่ไม่ใช่เกิดมีร่างกายคือเป็นร่างกายที่พิเศษที่ไม่มีการเคลื่อนไหวต่อไปที่ พระพุทธเจ้าเวสวันทอธิบายต่อว่าคนที่สร้างพระจําระนิสงส์คือพระรูปหน้าตักสีศอกแล้วจําระนี่ชําระหนี้สงฆ์ที่เคยเป็นหนี้ คนที่สร้างพระพุทธรูปขนาดนี้ ชาติเมื่อท่านบอกอย่างนี้แล้วท่านก็หายไป เพราะกำลังปิติที่สร้างพระใหญ่ปิติผลผล